มันจริงๆแล้วชีวิตเราถูกบังคับตลอดเลยนะจนกระทั่งโตขึ้นมาทำมาหากินได้ก็ชีวิตก็ไม่ได้เป็นอิสระอะไรอย่างแท้จริงใ น, ในทางร่างกายเรามันมีข้อจำกัดนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอะไรย่างเงี้ยจะมีเสรีภาพร้อยเปอร์เซน์ไม่ได้แต่ในทางจิตใจเนี่ยมนุษย์มีอิสระภาพเต็มที่เลยนะในทางจิตใจโดยเฉพาะสำหรับชาวพุทธ เรามีอิสระภาพถึงขนาดว่าเราอยากไปนรกก็ได้เลือกไปได้นะเราอยากเป็นเปรตก็ได้อยากเป็นสุรกายอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทาได้อยากเป็นคนก็ได้อยากเป็นเทวดาก็ได้อยากเป็นผลมก็ได้อยากคิดนิพพานก็ยังได้เนี่ยเรามีอิสระมากมายคนอื่นเนี่ยบังคับเราบังคับร่างกายเราได้แต่จิตใจเนี่ยไม่มีใครบังคับกันได้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 พวกที่ตีมานามากพวกเม่อเม่อลอยลอยใจลอยไปนี่พวกเดรัจฉานถึงตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเดรัจฉานนะพวกใจลอยอะ่ะนะพวกขี้โมโ ห, โหตัวเป็นคนใจเป็นสนันนะิโรธนพวกขี้โลภตัวเป็นคนใจเป็นเปรตเ น, ะนี่ทางนี้พวกพวกทางอบายภูมิเนี่ยเกิดจากจิตใจมันขาดสติก่อนพอมันขาดสติมันลืมเนื้อลืมตัวนะแล้วกิเลสต่างๆแทรกเข้ามา ราคาแทรกเข้ามาย้อมอยู่ตลอดเวลาเลยนะก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตัวศาสร์แทรกมาย้อมอยู่เนืองๆ น, นะโอกาสที่จะตกนรกก็สูงตกตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหลนะตายแล้วก็ตกอีกใจลอยใจเหม่อใจลอยนะโอกาสที่จะไปสร้างภพภูมิของเดรัจฉานก็สูงงั้นเห็นไหมเรามีอิสรภาพนะ <laughs> <laughs> เราจะสะสมกิเลสอย่างไห น, นเราก็ไปเป็นอย่างนั้นจิตใจเรา นี่แต่ถ้าเราจะมุ่งไปทางสุขติภูมิสุขติมีตั้งแต่มนุษย์มีเทวดามีพรหมเราก็มีอิสระที่จะสามารถเลือกทํากิจกรรมบางอย่างเพื่อให้เราเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะต้องมีมีศีลห้าอย่างต่ํามีศีลห้าไว้ถ้ามีศีลห้าเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแนละ้วถ้าสติปัญญาเราละเอียดอ่อนว่องไวขึ้นไปอีกนะจิตใจเรามีฮีริโอตปะเรารู้จัก ละอายบาปรู้จักกลัวผลของการทำบาปเนี่ยอันนี้เป็นภูมิธรรมของเทวดาถ้าหากจิตใจของเรามีพรหมวิหารอยู่จิตใจมีเมตตากรุณ า, าเมตตาอุเบกขายนะใจเราเป็นพรหมเราตัวเป็นเตือนมนุษย์ใจเป็นพรหมตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาตัวเป็นมนุษยใ์นนษยใจเป็นมนุษย์ก็ได้ฉนั้นใจเรานี่ท่องเที่ยวไปในภูมิต่างๆได้มากมายนะตามสิ่งที่เราสะสมเนื่งๆ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 ถ้าหากจิตใจเราต้องการจะไปสู่สุขติภูมิอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาอยากเป็นพลมนะัเราแค่มีสติธรรมดานี้แหลนะสนใจทําบุญใส่บาศสนใจทํำคุณงามความดีทั้งหลายนะใจไม่หลงลืมคุณงามความดีที่ตัวเองทําไปเรื่อยๆเราก็ได้สู่สุขติภูมิไปเกิดที่ดนะีแต่ถ้าเรามีสัมมาสติสัมมาสติ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 เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าแช่นิ่งๆอยู่อย่างนั้นปัญญามันจะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นขาดสัมมาสมัธิงี่สรุปง่ายๆนะใกล้จบลนะใกล้จบนี่นะพูดสั้นๆนี่แหละทำกันหลายปนะีแรกเลยมีสตินะสติทาหน้าที่รู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจกายเป็นยังไงนะรู้ลงไปไม่ลืมกายไม่ลืมใจตัวเอง พวกเราชอบลืมกายลืมใจตัวเองสติถ้าเรามีสตินะเราจะรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจแล้วพอเรารู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจแล้วต่อไปเรามีใจตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้เป็นแค่คนดูนะไม่เข้าไปแทรกแซงเรียกว่าใจเรามีสัมมาสมาธิมันก็จะเริ่มเห็นสภาวะขึ้นมาว่าจิตกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น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 แลื่เราต้องภาวนาด้วยจิตใจที่สบายๆคอยรู้กายค่อยรู้ใจไปรู้แล้วก็ไม่ทําอะไรไม่เข้าไปแทรกแซงสมมุติว่าความโกรธเกิดขึ้นมาแวบบในใจเราความโกรธผุดขึ้นมาให้มีสติสติมันทํางานเองนะไม่ใช่ไปจงใจรอดูไว้ก่อนพอเห็นหน้าคนคนนี้สมมุติเห็นหน้าคุณมนลเกลียดมากพอเห็นหน้าคนนี้รู้แล้วเดี๋ยวจะมาพูดกวนประสาทเราเราก็ค่อยดูอยู่ที่ใจไหนดูซิมันจะโมโหตอนไหน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 นี่เราไม่ใช่บรรพชุดไม่ใช่นักบวชนะแล้วก็มาแปลให้เข้ากับพวกเราก็คือผู้ปฏิบัติไม่ควรทำสองอย่างอันหนึ่งกามสุขาริการุโยกการปล่อยตัวให้ชุ่มในกามอันหนึ่งคืออาตาัตตะกิรมรฐานิโยกการทำตนให้ลำบากพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ปัญจวัคคีฟังนะมี5้าองค์มาฟังพร้อมๆกันมีองค์เดียวที่เข้าใจได้โสดาอยู่องค์เดียวคือพระกวณฑัญญะนะ องค์อื่นต้องฟังทั้งที่สองทั้งที่สามทั้งที่สี่ยพระอัสสชีฟังห้าครั้งได้โสดาบันพวกเราอย่านึกนะฟังครั้งเดียวจะได้นะพระอัสสชีฟังตั้งห้ารอบถึงจะได้โสดาบันเพราะะฉนั้นท่านสร้างบารมีมาเยอะล้วทำไมพระกวนธ ญ, ญาปิ้งขึ้นมาพวกเราพอได้ยินคําว่าการสุขขลิกานุโยค ก, การปล่อยตัวให้ชุ่มด้วยกิเลสชุช่มด้วยกามเนี่ยเราคิดว่าเราปล่อยร่างกาย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 ตัวเนี้ยตัวสำคัญส่วนหนาตากิริยมรฐานุโยกเราก็ชอบคิดว่าทรมานร่างกายแท้จริงก็คือทรมานใจก่อนนะมันต้องทรมานใจก่อ น, นถึงจะทรมานกายได้จิตใจต้องชุ่มในกามก่อนร่างกายถึงจะชุ่มในกามได้เพราะฉะนั้นทางสายกลางจริงๆไม่ได้เริ่มที่ร่างกายนะแต่เริ่มที่ใจเรานี่เองใจเราเพลิดเพลินตามกิเลสไปเรียก ว, ว่าชุ่มในกามนะใจเรากดข่มบังคับตัวเองเคร่งเครียด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 อริยมรรคที่ว่าเป็นทางสายกลางสังเกตไหมส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางใจนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางจิตใจทั้งนั้นเลยสามาทิฐิไหมเรื่องทางใจการมีความเห็นถูกต้องนะเข้าใจอริยสัจเรื่องใจเข้าใจไม่ใช่ร่างกายไปเข้าใจอริยรสัจสามาสังกัปปะความดำริชอบนะก็เป็นเรื่องทางใจสามาวาจาอย่านึกว่าเรื่องทางกายนะใจมันพูดก่อนนะวาจามันถึงออกมาทางปากหมนะ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 พอคิดถึงการปฏิบัติก็เพ่งจนแข็งเครียดไปหมดเลยนี่แหละบังคับใจตัวเองเรื่องอัตตะกิลมัฐานุโยคอัถกถาสอนนาะการสุขาริการยุโยกคือความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอัตตะกิลมัทฐานุโยคเนี่ยคือความปรุงแต่งฝ่ายดีปรุงแต่งฝ่ายดีไม่ใช่ดีนะปรุงแต่งฝ่ายดีคือความปรุงแต่งฝ่ า, ายา ด, ด, ด, นะ ด, าดีที่ดีคือไม่ปรุงแต่งความปรุงแต่งฝ่ายดีรากเง่าของมันก็คืออวิชา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 อย่างโสดาส ก, กีทาคาเนี่ยหัดตรู้ตามดูอย่างนี้พอสู้นะพอจะให้ละเอียดขึ้นไปถึงขนาดจะข้ามกามเนี่ยไม่ใช่ง่ายแล้ข้ามกามเนี่ยเพราะกามเป็นภพอันใหญ่เลยที่สัตว์ทั้งหลายติดข้องอยู่ในภพอันนี้นะหรือจะให้ข้ามอาวิชชานี่โอ้โหสุดลําบากถ้าคุณงามความดีไม่พอเนี่ยใจจะไม่ถึงข้ามไม่ได้พวกเราเคยอ่านพุทธประวัติไหมตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสสรูว่ามานมาใช่ไหม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 มันจะถูกความคิดนะคอยหลอกคอยปลอบให้เลิอกอะ่ะตัวความคิดที่กลับกรอกหลอกลวงนี่คืออาพิสังขารมานคอยกลับกรอกหลอกลวงความรู้สึกที่ว่าความตายมารออยู่ต่อหน้าแล้วถ้ายังทนอยู่นั่งต่อไปไม่ถอยนะต้องตายแน่นอนไมมก็บ้าเลยนะเนี่ยตัวมัจจุมานนะมันมีแต่ความทรมานมากมายเนะหลือหายไปไหนตัวลืมไปแล้วอ <c oughs> นะขันธ์ธรรมัน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 ไม่ห่วงหน้าห่วงหลัง น, ะนั่นเองสละความผูกพันในใจอย่างพระพุทธเจ้าเไหมเป็นเจ้าชายศิท ธ, ธะสล ะ, ะพระนางพิมพาสละพระราหุลรักไม่รูปเมียรักนะแต่กล้าสละนะเพื่อธรรมะเนี่ยทานบา ร, รมีที่มันเต็มใจมานะเต็มเปี่ยมถึงนาทีสุดท้ายนะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะมีอธิฐานบา ร, รมีไม่ตั้งใจมั่นหมในขณะที่ความตายมารออยู่ต่อหน้าเนี่ยจะถอยไหม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 เอาข้าจริงถ้าไปดูพุทธประวัติใช่ไหมบอกว่าพระพุทธเจ้าอาศัยโพธิปักคีย์ธรรมสาสิบเจ็ดประกาศเนี่ยไปสู้กับมารหนึ่งกองทัพมารหนึ่งกองทัพคือมารห้าตัวมีทั้งสามสิบเจ็ดไปสู้กับห้านะสู้ยากนะมารตัวเดียวก็สู้ยากแนละ้วเนี่ยซ่องต่อสู้ก่อนที่ใจจะเข้มแข็งถึงขนาดจะสู้ประมาณเพื่อข้ามภพข้ามชาตินะ่าต้องสะสมความแข็งแกร่งในใจมาม า, มากมายนะ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 เข้าใจกับคนอื่นที่เข้าไม่รู้ไม่เข้าใจไหมเนะีหรือตรณีขีเหนียวเนะี่ยใจถึงถึงนะี่ยกล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆสะสมไปนะทีละเล็กทีละน้อยท่านสอนเรื่องศีลเห็นไหมนีกสอนให้เรามีกําลังที่จะข้ามภพข้ามชาติทั้งนั้นเลยสอนเรื่องทานสอนเรื่องศีล น, นะต้องรักษาศีล น, นะถ้าไม่มีศีลใจจะไม่มีสามารถสมาธิแใจจะตั้งมั่นไม่ได้ใจจะกลับกรอกกวาดแกงตลอดเวลางนะนั้นต้องมีศีลเอาไว้ พอมีทานมีศีลเนี่ยเราจะมีความสุขเรียกว่าสวรรค์เราจะมีความสุ ข, สรรสขชีวิตจะมีแต่ความสุขความสบายในร่างกายอาจจะลําบากบ้างนะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจมันจะสบายแต่สบายจะเพลิดเพลินไปคราวนี้เพลินในความสุขอีกแล้วนี่เรียกว่ากามเพลิดเพลินไปในความสุขเสร็จแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นโทษของกามว่าอย่ามัวแต่ประมาทอย่าหลงแต่ในความสุขที่เรากําลังได้รับอยู่ทุกวันนี้นะ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 ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถุกละอัตโนมัติสมุทัยคือความอยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้าไม่ยึดกายยึดใจแล้วจะไปอยากทําไมทันทีที่ตัณหาดับสนิทลงนะความไม่มีตัณหาคือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาตอนหน้าต่อ ต, อตานั่นเองการรู้ทุกข์จนละสมุทยัยแจ้งนิโรดนี่แหละแจ้งนิพพานนี่แหละเรียกว่ามร์ท่านสอนอย่างนี้นะเรียกอนุปุธพิกาแม้สอนตนะั้งแต่ทำขั้นต้นมา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 ธรรมจากเห็นไหมบางท่านฟังธรรมาจากได้พระโสดาบันบางท่านฟังอนุปูปิกถาได้โสดาบันของเราฟังแล้วยังไม่ได้ต้องฟังแล้วฟังอีกนะจําไม่น่าขนาดพระอัสชินะพระอัสชิบารมีเยอะกว่าพวกเราอย่างฟังตั้งห้าครั้งถึงได้โสดาบันแถมพระอัสชิฟังจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังจากพระกระจอกชื่อปราโมลนะฟังจากพระพุทธเจ้าด้วยนะพวกเราบารมีไม่ถึงขนาดนั้นต้องอดทนไหม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 อย่าถามยากนะถามง่ายๆ ย, ยังมีข้อบอกพ้องอยู่ครับอาจารย์ช่วยแนะนํำเลยครับไหนไหนอยู่ไหนว่าไงว่าไงช่วยแนะนํำข้อบอกพ้องเลยครับบังคับมากไปนิดนึงครัอบอนะจิตมัวนิดหนึ่งดูออกไหมมีโ ม, มหะหน่อยๆดูออกปะ่ะอันนี้ตื่นเต้นครับ อ, อตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไปตื่นเต้นแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วรู้ไหมใจมันไหลไปแวบเราก็รู้ว่าไหลไปนะ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 อย่าไปเขยา่าจะตายแล้วร้องไห้นะไปอบายเลยตรงตนนั้นช่วยอะไรไม่ได้ล้วถ้าจะช่วยก็คือช่วยตอนนี้แหละอย่างที่ทําอยู่ก็ดีแล้วล่ะนะแล้วก็บอกอย่าไปคิดถือดีอย่าไปคิดถืออนาคตนะให้คิดถึงพระพุทธเจา้าพุทธโธ ท, ทั้งวันเลยพุทธโทรไปเรื่อยๆพุทธโทรสบายๆไม่ไม่ผิดสิ่งข้อสี่นะเจ้าค่ะที่หลอกให้ท่านไม่อย่าไปคิดว่าหลอกสิ <laughs> เขาเรียกว่ากูสโลบาย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 หลวงพ่อคะคือเมื่อวานหนูไปเห็นสภาวะหนึ่งอะคะ่ะเหมือนเมื่อวานตอนที่หลังสดบนเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาแล้วเหมือนเห็นเวทนาค่ะคือมันไม่เฉพาะเมื่อวานนะคณะเนี้ยกําลังติดสภาวะอยู่รู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนคนทั่วๆไปกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดานะ <c oughs> คือใจของเรารู้สึกไหมมันมันมันอัพตัวขึ้นมา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 ล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงมันพยายามดัดแปลงจนมันจะกลายเป็นใจของรมไปใจของรมมีแต่ความนิ่งๆหลวงพ่อทำให้ดูนะแซมเปิลนะมีหลายชนิดนะดูออกปะไม่ออก่ะ <c oughs> <c oughs> จะทำยังไงวะ <c oughs> <c oughs> เอางี้เอารมชั้นเลวอย่างงี้พอดูได้ไหมอ่า อย่างนี้สุดโตงมาข้างบังคับนะถ้าพรมชั้นดีมจะแหมเบาสบายเคลิม้มลอยๆอยนะใจชนิดนี้ไม่ใช่เหมาะกับการทำมิปัสนาใจชนิดนี้เหมาะไ้นอนเล่นเป็นที่พักที่ผ่อนที่สบายนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องว่าพรมมีใจสูงท่านยกย่องว่ามนุษย์มีใจสูงมันสูงยังไง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 น้อมใจไปให้เป็นพรลมนะพยายามรู้สึกตัวให้เป็นสบายเออเนี่ยเข้ามาใกล้มนุษย์สโลกมากขึ้นแล้วรู้สึกไหมกลับ ม, มาเป็นคนธรรมดานะเนี่ยใช้ได้ละเอาไปไหนมณฑสการหลวงพ่อนะคะค่ะเออจากประสบการณ์ของดิฉันนะคะที่เออคงสมาธิเออเมื่อก่อนนะคะนังสมาธิแล้วเนี่นะคะเออจิตมันรวมลงอะคะ่ะ มันดิ่งลงแล้วก็มันรู้สึกว่าอิ่มเอิบอยู่ข้างในมากเลยนะคะแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายวันเลยนะคะว่หลังๆเนี่ยก็มันก็หายไปอาการอิ่มเนี่ยหายไปพอจิตมันรวมนะคะอืแล้วเนี่ยมันก็เห็นใจมันคิดนะคะอืพอเห็นใจมันคิดมันก็เห็นอะไรไหวๆนะคะมันก็ไวๆๆเนี้ยค่ะก็ดูตรงนี้นะคะพอพอพอพอพอเห็นใมันคิดอีกมันก็เห็นมันไวๆเนี้ยค่ะจิตเป็นรวมลงเนี้ยค่ะอืก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ มันมันลงได้ทุกวันเลยนะคะคือไปนั่งกับหลวงปู่องคหนึ่งที่ปากเก็ดนะคะอืแล้วแล้วคือเมื่อวานเนี่ค่ะก็นั่งอีกทีนี้จิตมันไม่รวมแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะคือไม่ต้องพุทโธเลยเพียงแค่มองจิตนะคะพอมองจิตแล้วเนี่ยนะคะก็เห็นจิตมันคิดแล้วเนี่ยมันก็จะมันกลับมันเห็นได้ไวๆค่ะอล้จิตมันก็รวมลงเองแต่เมื่อวานไม่ลงแล้วมันเห็นแต่ไวๆอย่างเดียวอากาศรวมมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําให้ด้วยนะคะฝึกกับหลวงปู่วุญญาริทได้ไหมก็ไม่ถามท่านสิ ห, หลวงปู่บอกว่าไม่มีคําอธิบายอ่ะหลวงปู่บอกว่าถึงเวลาได้แล้วได้เองเออ๋ท่านก็อธิบายแล้วนะ <c oughs> อธิบายว่าไม่มีคําอธิบายหลวงพ่อขยายให้หน่อยก็ได้เราภาวนานะถ้าเราทําสมถะจิตรวมลงไปแต่ถ้ารวมลงไปแล้วซื่อบื้อนะสงบนิ่งๆเฉยๆอย่างั้นใช้ไม่ได้เลยะขี้กเกียจขี้คล้านพอรวมลงไปแล้วเราเห็นมันไหวทํางานจริ ง, รงๆให้ไหวๆนั่นแหละคือความคิดของมัน ความคิดตัวจริงของจิตนะอาการที่มันไหวไวไหวขึ้นมาแต่เวลาที่เรารู้ไหวไหวเนี่ยอย่าถลําลงไปจ้องอย่าถลําให้จิตเคลื่อนลงไปเกาะ น, นิ่งๆที่ไหวไหวไม่ได้นะให้ดูอยู่ห่างๆให้จิตผู้รู้อยู่ห่างๆไหวไวอยู่โน่นผู้รู้อยู่นี่แล้วก็ดูไปถ้าถลําลงไปจ้องนี่นจะไปติดอยู่ที่ไหวไหวแล้วไปไหนไม่รอดให้สักว่ารู้สัก <ๆ S 1> ว่าเห็นๆๆไหวไหวนั้นไปนี่เวลาภาวนาเนี่ยบางช่วงที่จิตมันมี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 มันลืมตัวเองในปัจจุบันไปแล้วนแล้วใจมันก็อยากพูดแวบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้มันลงไปรู้เลยด้วยอ้าวคนไหนกราบกรรมสการ์หลวงพ่อไหนกราบอยู่ไหนอยู่ไหนชูหน่อยอ๋ออ้าวกราบกรรสการหลวงพ่อค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ไปกราบหลวงพ่อนานนะคะห่างครูบาอาจารย์เลยรู้สึกว่าจิตมันเสื่อมจิตมันไม่มีคําว่าเสื่อมนะ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 พวกเราจำนวนมากเลยที่ภาวนาจนใจสว่างขึ้นมาและใจตื่นขึ้นมาใจรู้สึกตัวขึ้นมามีจำนวนมากนะหลวงพ่อมาเทศครั้งสองครั้งแรกนะมองมานะมีแต่มืดๆนะคล้ายๆเขายังไม่ได้ติดไฟตอนนี้พวกเราค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นอดทนนะไม่ได้เก็บสตังค์อดทนเรียนไปฟังฟรีๆรซีดีก็แจกฟรีหนังสือก็ให้ฟรีไม่ใช่ให้เองนะคนที่เขามี เหลือพอแล้วเขาก็มาให้นะอ้าไปไหนล่ะไปไหนลาบนมัส ก, การท่านอาจารย์ค่ะขอความเมตตาช่วยเตือนด้วยเจ้าค่ะฮึ่มจงเตือนตนด้วยตนเองเนาะสาธุเจ้าค่ะเตือนตัวเองคอยสังเกตใจเราอะ่ะตือนหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับโยมตลอดเวลาสาธุเรื่งที่อยู่กับโยมทั้งวันนะคือสตินัน่นะเองนะให้คอยรู้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 พอจิตไหลไปคิดกายเขาจะโน้มไปพอเรารู้ว่าเห็นกายว่าโน้มเราก็รู้ว่าไปคิดก็กลับมาดูลมหายใจใหม่แบบที่สามก็คือแบบที่มีความรู้ตื่นเบิกบานที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นจิตมหากุศลนะฮะก็จะครบมีคุณสมบัติตามที่คุณหลวงพ่อกล่าวไว้ส่วนการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะ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 ถ้ารู้ลมหายใจแล้วจิตแฉลบไปแวบรู้ว่าจิตหนีไปละไม่ว่ามันแค่รู้นะอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องแล้วยังนะะถามแบบกล้าหาญมากเลยกล <c oughs> ้าฟังคำตอบมาม <c oughs> เพลงไปหรือเปล่าคะใช่ <c oughs> จิตจิตยังติดโยนหน่อยเดียวแต่ไม่มากนะ <c oughs> นิดหน่อยเอยงต <c oughs> อบใช้ได้แล้วล่ะอยู่ในระดับที่โอเคค่ะ <c oughs> ใจลอยไปแล้วเห็นไหมใช่ค่ะตอนไปยักหน้าเอ้อปื้ ม, มนะปื้มใช่ค่ะนั่นแหละไม่เห็นว่าปื้มใช่ปื้มได้แต่รู้ว่าปื้มเห็นไหมให้รู้นะรู้ลงไปนอกจากรู้แล้วไม่มีอะไรหรอกในสติปัฏฐานไปอ่านดูนะมาหาสติปัฏฐานสูตรมีกริยาหลักอยู่คําเดียวคือคําว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนนั่งก็รู้ไหมเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้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 หรือเราชอบไปกําหนดมากกว่ารู้กําหนดเนี่ยหลวงพ่อเคยกลาบเรียนถามอาจารย์มหาปจวประกําหนดเนี่ยในบาลีเป็นยังไงท่้นบอกกําหนดเป็นภาษาเขาเมร น, นะจริงๆแล้วให้ใจเราแค่มานักสิการคือใจเรามันแค่ระลึกถึงความมีอยู่ของกายรละลึกถึงความมีอยู่ของใจระลึกแค่ระลึกถึงแค่นึกนึกถึงนะอย่างตอนนี้ใจเราลอยไปคิดแล้วซ้ำไหมครับผมเนี่ยให้รู้อย่างนี้นะใจไปคิดก็รู้ คุณสังเกตไหมตอนที่ใจลอยนะเบาๆแต่ตอนนี้หนักๆมีความหนักเกินจริงอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมเนี่ยตอนนี้ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมรตรงที่ใจลอยไม่หนักรู้สึกไหมเนี่ยคือความสุดโต่งสองด้านซึ่งจริงๆแล้วเรายังไม่สามารถรู้อย่างซื่อๆเพราะฉะนั้นการรู้ของเรายัางแทรกแสงด้วยความจงใจจะรู้อยู่นิดนึงอย่างตอนนี้ใจฉลาแวบหนึ่งทราบไหมให้รู้ไป ร, รู้ไปอย่างนี้แล้วมันจะไม่หนัก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 จะสีน้ำเงินแล้วก็บุ๊บออกนะฮะแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างในวงสีขาวอะไรเงี้ยฮะเป็นัำมาฮะพอเป็นถ้าเป็นสีดำนี่ก็จะมีความรู้สึกว่าใจคอามไม่ค่อยสบายในส่วนนี้ฮะกับขอบพระคุณท่านค่ะเราภาวนาเราไม่ได้มุ่งเอานิมิตแสงสีอะไรนะให้เห็นกิเลส ด, ดีกว่าเห็นสีนะอาการที่จิตมันใกล้ๆจะรวมทีมก็ถ่ายทอดออกมาบางคนเห็นสีบุบ บ, าบบุวาบๆไปบางคนเห็นผีเห็นสางอะไรก็ได้ เพนไม่ว่าเราจะไปรู้ไปเห็นอะไรเนี่ยให้ย้อนกลับมาดูใจเรานิมิตทั้งหลายจะดับไป <relying> ให้ให้รู้ทันใจเราเนะช่นมันเกิดแสงสี reet, ปุ๊บๆุ๊บปมาเนะี่ยสีดำๆเรากลัวแล้วรู้ว่ากลัวนะสีสว่างสีเงินสีทองใจเราชอบหรือว่าชอบเนี่ยนะให้รู้ความรู้สึกของเราไปนะคืออย่าไปให้ความสําคัญกับนิมิตแสงสีทั้งหลายให้ความ ส, สําคัญกับใจเราให้รู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนิมิตทั้งหลายจะหายไปเองยกเว้นนิมิตตัวจริงนะ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 อีกอันหนึ่งเป็นระลึกรู้แบบมีปัญญาก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจะจะจะยังจะควรจะปฏิบัติยังไงแล้วก็อย่างนั้นผมเคยปฏิบัติมาคือว่าคือคล้ายๆใส่ความคิดแบบว่ามันบังคับไม่ได้อะไรพวกนี้คืออยากรู้ว่าแบบไหนควรจะคือยังไงดีกว่าครับคือถ้าถ้าเรียนอภิธรรมนะเพราะว่าจิตที่เป็นมหากุศนเนี่ยมีสองอันนะอันนึงประกอบด้วยปัญญาอันนึงไม่ประกอบด้วยปัญญา เพราะนเวลาที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาบางทีมันรู้สึกเฉยๆ stop. แล้วก็พอรู้สึกแล้วก็ไปค้างอยู่กับความเฉยๆนะสบายอยู่อย่างนั้ น, นอย่างนี้ไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วเลาใจเราไม่ไปตรึงไปติดอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งเราเห็นทุกอย่างมันไหลไปแบบเกิดแล้วก็ผ่านมาผ่านไปเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างนี้มันมีปัญญาแต่ว่าตรงที่เราไปคิดว่าเนี่ยไอ้นี่ไม่เที่ยงไอ้นี่ไม่เที่ยงอ้นี่จิตฟุ้งซ่านนี่คิดเอาเองเพราะงั้นไม่ได้คิดเอา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 อยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเนี่ยไปรวมกลุ่มเรียนกับกลุ่มเนี้ยชวกใส่เสื้อสีแปลกๆเนี่ยครับการนมัสการของพ่อครับขอถามเยอะหน่อยนะฮะคือบางอาทิตย์เพ่งบางอาทิตย์ไม่เพ่งอาทิตย์นี้กลับมาเพ่งอีกแล้วนี่มันเป็นของมันเองใช่ไหมครับมันเป็นตองมันเองอย่าไปเกลียดมันนะครับไม่ได้เกลียดฮะแต่ไม่อยากให้เพ่งันไม่อยาก <c oughs> ไม่อยากนั่นแหละโทสะอฮเข้ า, า, าผมให้รู้ออลงไปเลยรู้ใจเราคือรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหายของมันเองใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเป็นของมันเองอย่าอย่าสนใจว่าเขาจะหายหรือไม่หายาการที่เขาเพ่งอยู่เขาก็แสดงไตรลักษให้ดูแล้วเราไม่ได้เพ่งมันเพง่งของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอาดู <นะ S 1> ไปอย่างนี้เลยอ่าแล้วมีอยู่คืนนึงผมทําสมาธิใช่ไหมครับแล้วทำจนมันปวดขาก็เลยจะนอนก่อนแล้วค่อยกะเดินจงกรมต่อคือไม่ใช่นอนหลับนะฮะนอนดูลมหายใจฮะ นอนดูไปดูมาแต่มันเวบปิ้งขึ้นมาสว่างนะฮะเือดจึงอันั้นคือสติหรือเปล่าครับใช่นะฮะตั้งแต่ธรรมามีครั้งนี้ครั้งเดียวเอ้ยไม่ใช่มันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปอย่างเราอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยคนมาว่าเราโมโหปุ๊บมันเห็นความโมโหพุ่งขึ้นมาเลยอนี่ก็มีสติแล้วนะคะับไม่ต้องสว่างปิ้งเอมันเับทวาแบบ EQ สั่ง ต่ไม่รักต่างเว็บพักหนึ่งก็เดือนออลงกลงไปมาก็หายไปออบบางทีนะพอเคลิมค้มกับปิ้งพอเคลิมกับปิ้งเลยทั้งคืนไม่นอนออก็มีนะ อ, อ, อย่างนั้นก็ไม่ต้องตกใจเป็นบางครั้งบางคราวที่ทําอยู่นี้ใช้ได้ยังอ่ะใช้ได้ยังติดเพ่งอยู่นะยังติดเพ่งขอถามข้อสุท้ายแล้วกันฮรประโยชน์ของการเจริญสติกนะฮะในเบื้องเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายเนี่ยช่วยพระอาจารย์ช่วยอธิบายปังหนี้ยครับือจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดละ เดี๋ยไปหาเราก็แล้วแต่คืออย่างเรามีสตินะเรามีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแะ้วแค่มีสติก็มีความสุขละแต่อไปมีสติใจเราก็ตั้งมั่นมีสมาธิเห็นไหมการได้สมาธิมาก็เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งต่อไปเกิดปัญญาก็เป็นผลประโยชน์มาจากการเจริญสติเกิดวิมุตติเห็นไหมสุดท้ายเราก็เกิดวิมุตติญาณทัศนะเข้าใจความเป็นจริงของนิพพานอี้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความสุข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 ปกติแล้วโยมชอบสายผ้าป่าแล้วก็ห่างไกลครูบาอาจารย์ด้วยปกติแล้วเมื่อก่อนใช้สัมมาละหังกันนี้พอดีเจอเพื่อนบอกว่าให้ใช้พองหน่อยุบหน อ, อค่ะคือครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านสอนเราต้องเข้าวัดเข้าวัดเนี่ยไม่ใช่วัดที่พระอยู่น ะ, ะท่านสอนให้วัดใจตัวเองหลวงปู่ฟันน่นน่ยสอนอย่างเด็ดเดี่ยวมากเลยก็เข้าวัดนะเข้าวัดบ่อยๆนะคือวัดใจตัวเองรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆ <C> e <at> นั่นแหละถึงจะเรียกว่านักปฏิบัติถ้ารอเวลาหลายๆวันหลายๆเดือนไปเข้าวัดทีหนึ่งไม่ได้กินหรอก <C> e <at> เพราะเวลาที่เหลือนะ่้กินเลยเราไปกินหมดแล้ว <c oughs> ให้ดูใจตัวเองไปเรื่อยๆจ <c oughs> <c oughs> ส่วนจะบริกรรมว่าอะไรไม่มีนัยยะอะไร <c oughs> ถ้าจริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้พุโทโธค่ะแต่ว่าพอภาวนาไปก็จะตกมาเป็นรู้หนอรู้หนออะไรอย่างี้ค่ะเราก็รู้ไปรู้หนอก็รู้ไป ดีกว่าฟุงา้งซ่านเนาะค่ะประการเจ้าค่ะถ้าทำไปหน้าได้สมถะเอ่อก็ได้ลานสมควรนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับเอ่อถวายทานขอใทุกท่านนมมือและตั้งจิตนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระอาจารย์ปราโมตปรโม ท, โ, มทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินสาธุรับผ่อนเนาะยถาวาริวะาปูราปาริปูเรนตีสาครางเอวเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉุ สเพปูเรนตูสังกป่าจันโทปันนรสอยถามณีโชติรสอยาถาสพีติโยวิวัตชันตูสัพรโรคโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายยโกภาวาอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตารโรธรมาวะ